ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของสี่อย่างสงเศ็สองวาอยู่แตคือปฏิบัตินอยากจะมองข้ามไปว่าสมัยนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ดีเด่นเหมือนสมัยพระ อ, องค์ยังทรงพระชนอมอยู่ก็สู้ปฏิบัติธรรมไม่เคยเห็น มีมากมีผลโดยส่วนใหญ่มักอยากจะสงสัยเยลือกตาวสู่ดีสู่ไปคำนองนีง้แต่ความจริงสู่ที่ท่านปฏิบัติอาจทำท่านก็ไม่ได้อวดว่าทนได้อะไรจากการปฏิบัติออกจากตัวของท่านจะรู้จะเห็นความเป็นจริงคือความสุขวามสบายความละตามถอนวาม ปล่อยวางงใจเพราะทารนัยทางพราศาสนาสืบโดยสกอสเรื่องของชะการสืบเรื่องธรรมะว่าเราได้เราทิ้งอย่างนั้นอย่างนี้เป็นทางที่ทารินัยนิ่มเอาไว้ไ่ไปฝ่ากฝืนหรือสืบไปทํานองนั้น ปกิณณาว่าฝ่าฝืนและทำยินไนในเขารคในฟรยินไนจิตตัสกาสดาทรงบัญญัติเอาไว้ฉะนั้นเรื่องธรรมะจิตคนตงสงสัยโดยส่วนใหญ่ก็คือผู้ใหม่กระเพื่ไปฏิบัติเมื่อตัวเองไม่รู้ไม่เห็นไม่ลงมือกระเพิ่ไปฏิบัติการรมอะไรก็เลยสงสัย ว, ว่าธรรมะหมดไปเสื่อมไป ความจิงธรรมะเป็นอาตารหรือการรมหรือไม่มีการมีสมัยถ้าพุทชเจ้าจะยังทรงพระสนอยู่หรือก ร, ริณีผ่านไปธรรมะคือของจริงก็ยังมีอยู่ไม่เสื่อมไม่เสียไปที่ไหนเพราะธรรมะมีอยู่กับกายกับใจของบุคคล คนที như như à, ủ, th th ่ยังมีกายมีใจธรรมะยังมีอยู่รูปประทคือรูปอเรามองเห็นด้วยตาึงเป็นัตุนามธรรมคือเรื่องที่มองมเห็นด้วยตาเช่นเวทนาสัญญาสังารวิญญาณมีเนกว่านามธรรมธรรมเหล่านี้มีประจําบุคคลั่วไปเว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ของเที่ยวซึ่งเกิดจากรูปและนามเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ไม่ไดเสืมไม่ดเสี ย, สยพระพุทธเจ้าในหอวหน้าอัจทรรมอ่ทรงแสดงแกะสะีสัตเมื่อเวลาท่านพปปฏิบัติหรือท่านปรินิพานท่านก็ยังบอกไว้ว่าให้ ปฏิบัติตามธรรมลิในธรรมลิันเป็นศาสดาแท่เราจะาโคตรถ้านหนึ่งจดเอาไว้อย่างนั้นฉะนั้นการประบัตปฏิบัตอรริอัดตามทางพระพุทธศาสนานจินควรพิจารณาเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงบอกบอกอะไรเรื่องจะตีประทานสีปฏิบัติสี สมาทานสีมันมีอยู่ที่ไหนแต่เราที่เจรณาแล้วไม่ได้มีอยู่ที่อื่นก็ ม, มีอยู่ที่กายที่ใจของมนุษย์เราเช่นสมาทานสี <c oughs> การสังวรระ ว, วังไม ah e ba, ่ให้บาปือความทั่วเกิดขึ้นในสันดานของตนความทั่วที่เห็นหน้ไปจาก ตัวไปก็คือความทั่วที่หยากเกิดขึ้นจากกายเกิดขึ้นจากวาจาทำทั่วที่ละเอียดตัวไปก็คือการเกิดขึ้นจากใจเมื่อทําเมื่อพูดเมื่อคิดอะไรเป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นสักว์อื่นเป็นไปเพื่อทําตนให้เดือดร้อนวุ่นวาย ถึงพระพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติว่าเป็นความขั่วมันก่อขั่วอยู่เองความชั่วเหล่านี้เป็นความสั่วที่หยาดที่ทำบุคคลในสังวรละวังให้เดือดร้อนทั้งตนเองและคนอื่นเสียนเข้าก็ไม่ชอ บ, บจิตจใจเพราะการทำไปหรือปูดไปไร้าสาระประโยชน์ หลอกจากนั้นยางเป็นคาปูดที่เหน็ด ม, มีใครที่จะชมชอบมายเป็นเสน่หและส่วนาวามละเอียดเข้าไปตั้งใจความโลภความปวดความหลงถ้ามน้อยู่มาเข้าว่าจะแผกเขาใจของเราให้เดือดร้อนเหมือนกันเพียงคิดปรุงขึ้นก่อยรับความ ไม่เป็นครรมใรับการเดือดร้อนเขาคนเองก่อนคนอื่นเพราะมีจะนวนมาเข้าก่อนระเบิดออกมาทางกายทางวายจาจเหิด น, นั้นคนที่ต้งรวมระวังในความทั่วรเกิดขึ้นมาเขาตัวเองจึงได้ชื่อว่าปัดทานตามเทียงคือสังวรระวังในความทั่ว ก่ไปมาเกี่ยวข้องกายวาจาใจขงกชนมันําระจะสาะงสักก็คือสม่าเสมอไปเพราะใจของบุคคลจะเศร้าหมองหรือป่องใสได้ก็าอาศัยอารมณ์ทึงเกิดขึ้นจากตัวเองก่อนคนอืนอ่นสัตว์อื่นซึ่งเราเห็นเข้าเรา น, นมาแถบเขาตัวของเราถ้าหากในชอบผิดจิตใจเห็นว่าเขาทำใส่ตัวอย่างนั้นพูดใส่ตัวอย่างนี้ก็เลยเกิดความไม่ดีในงามขึ้นความจริงมันเกิดขึ้นจากตัวเองทาพูดหรือการแต่ทํำของเขาแต่เราเห็นว่าเขาทํำไม่ดีของไม่ดีแล้วแต่เราเป็นคนฉลาดทําไมไปเก็บเอาของขวนนั้นมา ทำให้ใจของตัวเต่าหมอเดือดร้อนเีย่ยเรายั ง, งโง่ไม่ต้องวอนระวังตัวของตัวเดี๋ยวแล้วมาประทานทำให้สังวรระวังกายวายาการใจของตนระวังในเหตุความขั่วขั่วไปจุงจะทําตายทำวายการทาใจให้เดือดร้อนแหกเต่าตัวระวังไว้ชำระไว้รอมเอาไว้ไม่ให้ ตัวไหลเข้มาที่ตัวต้องตัวาหารใส่พานหมายถึงว่าพานขั่วที่มีอยู่ในตัวแล้วส่วนได้ที่ขั่วที่เสียเห็นคนอื่นเขาประพฤติเห็นคนอื่นเขาทำเห็นคนอื่นเขาพูดเราเองก็ไม่ชอบผิดสอบใจแต่มีอยู่ในตัวของเราเราบกพร่องำระ ส, ะสางออกไป ตลอดถึงตัวข้องใจเองที่จะผิดห้อประหัตประหารฟันทั่วเหล่านั้นให้ตกไปไม่ให้ฟันทั่วใหม่เกิดขึ้นโดยการชั่งวนันฟันชั่วที่มีอยู่ก่อนชำระด้วยการประหารฟันทั่วก่อนนับวันนับเวลาที่จะเหลือน้อยไปหรือหมดไปผลที่สุดฟานชั่วไม่มีในตัว แล้วสะดวกสบายไม่มีอะไรจะมาแฉบเขาไม่มีโคตรภัยภายในและภายนอกก็มาเกี่ยวขอ้องเรอยู่เป็นอิสระมีความสุขทุกการทุกเวลาจะนัง่งจะนอนจะยืนจะเดินมีความสุขเพราะความทั่วทัวไม่ได้ไปเกาะเกี่ยวความทั่วที่เกิดจากคนอื่นตัวนอให้คนอื่นเขาเสีย ความตั่วของตัวเองก่อสำรักสะสารไม่เกียบยวข้างไว้ในจิตในใจของตัวนี่เรียกว่าทางสายตั่ว่ายเสียระวังสังวรและประหัรประหานให้หมดไปทาดีส่วนใดนี่เรียกว่าภาวนาตตดทางควรจะเกิดจะมีก็พยายามจะทำให้เกิดให้มี นในตัวของตัวเป็นต้นว่าทานการบริจาคเราให้ไปการให้ทานโดยส่วนใหญ่มักคือว่าเสียไปโดยไรประโยชน์ไม่ได้อะไรตอบแทนการจึงคนที่มีศรัทธาภายในใจให้ไปแล้วมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความเบิกบานภายในตัวของตัวคิตขึ้นเมือ่อดายความสุขของใจเกิดขึ้น พักวัเพื่อนถูงสิ่ไดรับไช ย, ยทานการสงเคราะห์หรือการบูชาจากเราก็มีความรักให้มีความสนิใจในตัวเราตัวของเราก็เลยเป็นเส น, น่ห์ไปที่ไหนไม่มีใครอันตรายไปที่ไหนมีความสุขกายสุขใจไม่อดยอยากอยากจนอำนาจ้องการให้ทานให้ผลในปัจจุบันทันตาและ พบธาดทางหน้าภาหาว่ามีการเกิดการตายต่อไปอำนาจผุ้สนค้นทานที่เราสะสมเอาไว้ก็จะอำนอยวยอวยใจให้เราไปเกิด <c oughs> ในสถานคือสมบูรณ์คูนศึกมีสมบัติพัดสถานเพียงพอบริบูรณ์ทช่นอย่างมีอำนาจของการให้ทานก็ทำก็เป็นการ ทำจิดทำใจให้ยินแยนแก่มใสยอย่างหนึ่งถึงอยียงว่าบุญบุญนี้ไม่ได้มีมาจากที่อื่นตัว ข, ของเราเป็นคนจะสะสมเป็นคนที่จะแะทำคนอื่นเพี <c oughs> ยงแนะนำสั่งสอนเท่านั้นถ้าเราไม่ทำก็ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรสำหรับคนที่แนะสอนฉะนั้นการบุญการกุศล เรียกว่าภาวนาประชานคือการสะสมคุณคานดีให้มีขึ้นถือการรักษากายวายจาทั้งตนก็เป็นผลเป็นประโยชน์อีกเหมือนกันเพราะจุดง่ายๆ า, ยากพิจารณาการหยบพายทางภาษ า, าศาสนาโลกที่เดือดร้อนอื่นวายอยู่่ปัจจุบันทุกวันนี้ก็ดี หรืออดีตที่ผ่านมาแล้วกว็ดีอนาคตที่จะเป็นไปทางหน้าก็าดีต่เพราะมานุษย์ไม่มีสีถ้าคนมีสีแล้วโลกนี้จะมีความเยือก เ, เย็นเป็นสุขกฎหมายที่บัญญัติขึ้นไว้ทุกตารางที่มีใสคนโทษคนขั่วเพราะเหตุบัคนเหล่านั้นเขาไม่มีสี คนมีศีนไปสถานที่ใดเป็นมงคลแก่สถานที่นั้นทัางตัวเองก็ไม่มีภัยอันตรายคนอื่นที่อยู่รอบข้างก็มีความเยือกเย็นเป็นสุขเพราะศีลที่ในเบียดเบียนกันในขาดขันกันในรักดในขโ ม, ม, มยกันใน ม, มีการนอกผิตนอกใจกันถ้าหากฝูดถึงศีลสอง สาวาชินห้าสามีก็เป็นผู้ไววเนื้อเชื่อใจของภรรยาภรรยาก็เหมือนกันไปไหนมาไหนก็วไว ม, มีการนอกใจของสามีอยู่กันด้วยดีมีความสุขมหาอุลเลศเพียงพอบอริบูรยินดีในสุขทวามซองตัวกต่งโกหกพกลมหลอกลวงคนอืน่น ตเราเองก็ไม่ชอบเมื่อถูกเขาต้มสุญอย่างนั้นหรือเขาปูดโกหกพกรลมอย่างนั้นเราเองก็ควตรตั้งหน่วรักษาอย่าไปโกหกพกลมคนอื่นพูดแต่สิ่งที่เป็นจัดเป็นจริงถึงโซลาการดื่มนนำเมาก็เหมือนกั น, นคนธรรมดามีสติสมบูรณ์อยู่หน่วย ดื่มสุราเขา้าคนนั้นอาสาจิริยาถ่าชีจะแสดงออกต่างๆนานาพูดจาอะไรบ็ไม่มีสาร ะ, ะที่จะเชื่อฟังได้สุราเจนเป็นทางที่ทำให้คนเสียสติเป็นทางที่ไม่ดีอันหนึ่งพระพุทธเจา้าฉันเล็งเห็นว่าส่วนเหล่านี้จะเป็นไปเสื่อนความเสียหายเป็นที่สั่งข้องฟ้าประมาทจึงบัญญัติเอาไว้ ศีลเทียมหากอดตัวนี้แหละถ้าหากโลกพากันต่างหน้าต่างตาประเทศปฏิจุบัติตามศีลของพระพุทธเจ้าแล้วอาวุธยึดทัพย์พันต่างจะ ต, ต้องขึง้นมตำรวจทาหารในต้องมีรักษาประเทศชาติรักษาประชาชนเพราะเหตุนใดเพราะคนทั่วไปมีศีลเยือกเย็นเ็นสุขจะไปสถานที่ไหนไม่มีภัยอันตรายเพราะ สีมของพระพุทธเจ้าสี่ดรงมันญย่าเอาไว้หากคนค้นใจรักษายังมีอา น, นิสงส์ดีเด่นตลอดกาลตลอ ด, ลอดเวลาอย่างใช่ทางเสียหายเป็นทางบุญทางกุศลที่พวกเราทุกคนจะส้นใจรักษาประเศปฏิบัตบิหากเรารักษาหน้จิตใจของเราคิดตู ไปในทางศีลก็ไม่มีข้อใดที่จะเสื่อมจะเสียจะเป็นภัยอันตรายแก่ตัวจิต ก, ก็เลยไม่มีการหวั่นไหวมีการตั้งมั่นเพราะไม่มีโทษภัยอะไรมารบกวนเกื่องจิตใจฉะนั้นศีลจึงเป็นทางบุญทางสุขสนที่พวกเราทุกคนจะควรสงวนรักษาเรียกว่าภาวนาแต่ทาน คือ ท, ทำศีลทำทานสองตนได้เกิดขึ้นตอะมนุษย์เราเป็นสถานอย่างฟางสามารถที่จะทำดีและทำชั่วดะ้ะไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นคนแล้วจะดีเด่นถ้หาหากไม่มีอาจมีธรรมประจําตัวแล้วคนนี้หน้าตัวยิ่งกว่าตัดปากเสือที่ดุก็กลัวกันทุกวันนี้ ไม่ค่อยจะมีในยินว่าเสืออยู่ในสถานที่ใดก็อชอบไปเพราะหนังมันเป็นราคาดูคนเป็นราคาก็หามาขายแต่เสือคนสมัยนี้เขาลัวกันใหญ่จะอยู่ในบ้านในช่องกว่าังไปแย่งเอาเกือกข่าไถ่ข า, าอะไรกันมันลำบากนี่คือคนไม่มีศีลคนไม่มีสัจคนไม่คิดถึงอกเขาอกเรา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 จะทำทวามั่วต่างๆจะรมเย็นเต็นสุขโลกมนุษย์ตัจะเป็นโลกสวรรค์ไปเพราะไม่มีอะไรมาเบียดเบียนกันหนี่ทางใ้เกิดความสุขของใจเพราะไม่ได้ไปทำสวดช้าลามกนอกจากนั้นภาวนาคือการอบรมจิตใจของตนปกติจิตใจมากผุ่มฟุง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 กับบทบริกรรมหรือกับลมหายใจไม่ให้จิตใจพุ่งไปตามสัญญาอารมณ์อื่นเมื่อใจมันพุ่งไปุ้งไ ป, งไปงไโดยไม่มีสติโดยไม่มีปัญญารักษาทางที่จะได้ก็คือความเสื่อมความเสี ย, ค ว, สยความเดือดร้อนแต่เรามีสติรักษามีปัญญาแนะสอนจิตใจอยู่สม่ำเสมอยิดปรุงอะไร พิเจนาให้เชื่จิตเชืงใจว่าชิดลุงไปอย่างนี้ดีชั่วอย่างไรเป็นธรรมเป็นดีในเม่เป็นไปเถี่ยวความเพิดเพนเสียหายหมดคิดทีนี้พิเจนาดูแยบพายแล้วทางหาเป็นทางเสียหายกละสอนปล่อยวางไปเสียเป็นทางดีควรจะเกิดสติปัญญาวิชาความรู้ก็ให้ลุงไปคิดไปเชื่อแก้ไขสายถอน จิตใจที่จิตฟ้องจึงเรียกว่าภาวนาเรียกว่าทางเสดปัญญาทางสำลักนิเวศให้รักษาส่วนความดีของใจสม่ำเสมอไปทางดีใดที่มีอยู่แล้วอย่าให้เสื่อมให้เสียไปความดีที่ยังไม่ได้ในถึงพยายามกว่คป่วยแต่ทำบำเพ็ญเรียกว่าอนุรักษ์ ปัญราปานในการรักษาความดีทั้งตนที่มีอยู่เมืเอเ่อเสื่อมเมืเสียไปมีตัวมีอยู่ที่อื่นมีอยู่ที่ตายที่ใจของพวกเราทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ปัตจฐานกายานุปัฏนาเรชนาจิตธรรมมีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ที่ตายที่ใจอีกเหมือนกันฉะนั้นเมื่อคนยังอยู่ทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่ ไม่ได้เส่อมไม่ได้เสียไปที่ไหนใครตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติใจใจคนนั้นแหละจะรู้เห็นเป็นปัดเป็นธรรมทุกความสุขที่ไม่เคยเห็นแต่นั่งแต่ ไ, ตไรามาจะปัดทับในใจทุกคนเพราะความสุขทางวิรานิเวสุขความสุขที่ปล่อยวางที่เหนือปัญหาความสุขือ่รวมรวมท้าใจไม่มีใครเข้าขายกันก็จะไปดูอยู่ที่อื่นได้ นอกจากกาปรปฏิเสธปฏิบัติภายในตัวให้ตัวเท่านั้นถ้าเห็นถ้าเป็นในตัวแล้วจะเชื่อในอัธมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีบางลืหมหลงเพราะเป็นของที่จะจดจำหน้าความสุขวิเศษประเสริฐอะไรจะเรียบเท่ากับการสงบของใจไม่มีความสงบของใจเงียปล่อยว า, างละถอนที่เลสกัญหา รวรวมไปเพียงส่วนขณะเวลาแ่านั้นจะมีความเชื่อมั่นกว่ามัดผลนึกพานยังมีอยู่เพียงเราต่อเศปฏิบัติความสงบสงัดเกิดขึ้นเพียงแค่นี้เราก็ยังเห็นถึงความดีบาปความสุขสุขเหวียกว่าอาจทำหรือมัดผลยังปรากฏอยู่ผู้ปฏิบัติโดยใจจริง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 เมื่อเราเราเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายที่ใจของเราเองไม่อยู่ตามจำรับจำร า, มาไม่ได้อยู่ตามการตามเวลาอยู่ในกายในใจปฏิบัติการใดเวลาใดพิจารณากายใจเป็นอันว่าพิจารณาธรรมะเป็นอันว่าอ่านธรรมะรู้เรื่องกายใจของตัวไม่ต้องรู้ผัวผู้ ถ, ถึงไปเรื่องอื่นก็เป็นอันว่า ถูกต้องตามหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจะสอนคนอื่นบอกคนอื่นไม่ได้จะอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นก่ต่ามแต่จิตใจของท่านที่ประพฤติปฏิบัติได้เห็นเป็นสึ่งมีความสุขเพราะความสุขอยู่ในในตัวของท่านเพียงพอบริ บ, บูไม่ต้องหาอื่นมาประกอบความสุขส่วนนี้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 มีภาษิตว่าพักที่อยู่ได้พักใจอยู่ยากใจของพวกเราเราท่านผัวไปถ้าหากไม่มีการบังคับบัญชาไม่มีการรักษามักอยากกลุ้มกลุ้มไปต่างๆอยู่ในวัดประพฤ่อปฏิบัติอัดทำถือว่าเดือดร้อนอยากดูอยากฟังอะไรนี่แต่ผิดธรรมในทางนั้น อาเป็นทางทิ่กิเลสชอบแต่จะประพฤติปฏิบัติให้จิตสงบสงัดมันถืนเรื่องข้องกิเลสมันไม่ชอบกระทำแล้วคนที่ไม่มีพื้นฐานดีไม่มีสติปัญญาที่าจรณาแยกทางก็มากอยากจะเตลดเิดเปิดเปิ่นไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาเหตุนั้นละเนรในศาสนาจึงมีจำนวนน้อย ไม่มากเหมือนเราวาอยากโยมเพราะรักษาจิตคุมจิตบังคับจิตไม่ได้ปล่อยไปตามสภาพของกิเลสตัณหาชอบฉะนั้นผู้ที่บนที่ว่าเลี่องพระเนนไม่เป็นประโยชน์แกรโลกเขายังไม่เคยบวชและเขายังไม่ตั้งหน้าตั้งตาผลิไปฏิบัติรักษาตัวของเขาขี้น ความจริงผู้อยู่ในศาสนาถ้าหากไม่มีสติปัญญาแนะนตัวจริงจังยากหนักหนาที่จะมีความฝุ่ราะพื้นฐานของจิตคิดปลงกไปแต่เรื่องนอกไม่อยากจะคิดจะอ่านเรื่องตัวของตัวเองไม่อยากจะแก้ไขส่วนผี่เสียนี่แต่จะหาเพิ่มความทั่วความเสียต่างๆมาทับถมจิตใจ มาเด็ดทิจระนาเหยียบคาหรุด อ, อุบายปัญญาว่าสิ่งที่เราลหลงไหลไปเป็นอย่างไรแน่นอนเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมันก็จะส่องผูกกิเลสดึงจมูกเกลื่อยไปไม่มีสถานที่ใดจอดแวะพ้นที่จุดตัวตายได้ต่างแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจากการเกิดเป็นมนุษย์จากการประดับนักฟังคาค ำ, ค ำ, คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพวกเราท่าน <c oughs> ที่เป็นชาเป็นเลนก็ดีที่เป็นอุบาสกอุบาสิากาดีมุ่งหน้ามุงตามาศึกษาธรรมะ ข, ของพระพุทธเจ้าจึงไม่ควรมองข้ามกายใจท้องตนทำอย่างไรกายใจจึงจะได้รับความสงบทำอย่างไรกายใจจึงจะได้รับความสุขความสบายความจริงเรื่องของกายมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันเพราะสังขารห่างกันในดักรถถึงเรียกว่าอนัตตา คือมาอยู่ในการบังคับบัญชาของไทยมันเกิดมาอย่างไรมันจะต้อแปรพวนไปตามสภาพของมันจะมีหมอดีวิเศษมารักษาคว า, ามแกห่หหายคว า, ามตายหน่ห้มีจะเรียนมาจากประเทศไหนสถานที่ใดวิชานั้นจะไม่มีการแกกไขตกเพราะความเกิดคว า, ามตายนี้ เป็นสัตยธรรมเป็นอริยสั์เป็นของจริงสี่พระพุทธเจ้ารู้เห็นและนักปฏิบัติจะพิจารณาให้เห็นจริงอย่างนั้นแล้วไม่มีการไปห้ามกัน้นขวางถนนคนส่วนใหญ่ที่ทุกข์จิตทุกข์ใจเพราะเหตุว่าไปขวางถนนเอาไว้ถนนเขาเคยเดิน อยู่แต่นายแตไรมาแต่เราไปฝังกัน่นเ้าเสียมันกบผิดกฎหมายทางบ้านเมืองเราไปการนถนนเขาถนนเป็นของกางสงทุกคนจะท่องเที่ยวไปมาฉันใดจิตใจของพวกเราท่านที่หลงไหลฝ่ายันอยากจะให้ตั้งฐานของตนเป็นไปตามใจชอบก็คือการฝังถนนเกิดมาแล้วไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตาย จะทำอย่างไรจะแก้ไขได้ไม่มีท้าถ้าเกิดมาแล้วจะต้องเป็นไปตามสภาพของมันผู้ที่ปฏิบัติจะต้องเห็นไปจากชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ต้องปล่อยไปตามธรรมดาของมัน <c oughs> ตามเดิมอของธาตุของขันแต่จิตใจของเรายึดถือหรือไม่หรือปล่อยวางได้สะดวกสบาน เห็นเขาเป็นท้องจริงหรือไม่หรือเห็เขาว่าเป็นท้องแปลกปลอมอย่างไรอากเห็นเขาเป็นท้องจริงต่อสอยว่าง่ะถ้หาก เ, <า> เ, เขาอ่เป็นท้องไม่จริงแปลกปลอมแล้วก็ปล่อยว่างไม่ได้ก็ยึดมันม่นถือมั่นอยากจะให้เป็นอย่างนั้นยากจะให้เป็นอย่างนี้เมื่อไม่สมใจท้องตอนถือมุ่ง ม, มั่นเอาไว้ใจก็เกิดทุกขึ้นเรื่องของการปฏิบัติศาสนา ไม่ใช่ว่าจะไปแก้ไยที่อื่นแก่ไ้ที่ใจของตน